ท่านฟังที่เคารพคะ่ะท่านกลังฟังรายการสันนีสนทนานะคะผ่านไปนั้นก็คือพระมารคชาคาวโรวัฒนาป่าพงลำลูกกาคลองศิ์ซึ่งท่านสามารถเปิดเว็บไซต์เข้าไปแล้วก็จะเห็นทั้งท่านมา้าแล้วก็ท่านจอว่าคือพระอาจารย์คริกติที่แจกหนังสือพุทธวจะนาให้กับเราเนี่ยนะคะทาง www.watnapp.com ในค่าวันเสาร์นี้จะเห็นถนัดเลยคะ่ะประมาณสักทุ่มหนึ่ง ส่วนในรายการของเรานี้นะคะก็จะพบกับพระอาจารย์ที่ท่านสามารถเปิดเน็ตไปพบได้เช่นเดียวกันแต่ว่าจะเป็นที่เน็ตไห น, นเดี๋ยวเราไปพบกับตัวของท่านก่อนนะคะคือพระอาจารย์เพยบุญอภิปุลโนจากวัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีเพียวธรรมะ .com เนี่ยคะ่ะกราบน้องสกาญคะ่ะท่านคะเชิญปานค่ะเดี๋ยวนี้โชคดีของของคนที่เข้าถึงเทคโนโลยีเป็นแล้วก็ได้รู้ว่าในเทคโนโลยี มีธรรมะอยู่ด้วยก็ะจะทำานาอะไรอย่างคะเน่ในเรื่องนี้ก็คือมีเหตุปัจจัยที่พร้อมเราก็เลยได้ทําขึ้นมามันสืบเนื่องจากตั้งแต่ที่วัดดาวไหนรถ ด, ดาวไหนโเนี่ยมีการจัดเล่นปฏิบัติธรรมใช่ไหมเราก็เลยต้องมีการรับแฟกซ์พวกใบสมัครรงต่างพอมีแฟกซ์แล้วอินเทอร์เน็ตมันก็มาด้วยพอมีอินเทอร์เน็ตแล้วก็เลยได้ทําบล็อกทํำอะไรขึ้นมาที่มันมีบล็อกฟรีโดยใช้วอตเต r ร์เพรส ทีนี้ก็มีลูกศิษย์คนหนึ่งที่เขาเชี่ยวชาญในเว็บเพรสในระยะหลังเนี่ยเขาก็เลยมาช่วยทำเอาก็เลยเปลี่ยนแปลงอะไรทำต่างๆให้มันรูปแบบที่ดีขึ้นมาก็เลยมีตรงนี้ขึ้นมาพอดีเป็นควา ม, มประจวบเขาเรเหตุปัจจัยถูกไหมคะถ้าพูดเป็นภาษาพราะอย่างเนี้ยค่ะใช่ใช่ใช่ครับวันนี้ที่กะจะกลับไนถามท่านเนี่ยนะคะก็คื อ, อยังติดใจในเรื่องของเนนน้อยสามขวบคือเป็นเด็กน้อยเนี่ยที่ชอบแต่งตัวเป็นเนนอืม ชื่อน้องมาร์ะคะท่านทราบเรื่องบ้างไหมคะไม่ไม่ก็ทราบเท่ า, าไหร่นะก็ผ่านมานานแล้วนะคะเป็นเดือนแล้วล่ะค่ะที่เกิดมีการค้นพบว่ามีเด็กตัวน้อ ย, อ, ยอายุสามขวบเ น, นะะ<อ>ี่ยค่ะแต่งตัวเป็นเนนนะคะแล้วก็เขามีพฤติกรรมเยี่ยงเนนนะคะสวดมนให้พรคล่องมีการพรมน้ำมนต์ด้วยนะคะ<อ>แล้วก็ได้รับเชิญค่ะไปทั้งแสดงธรรมสวดมนพรมน้ามนต์เนี่ย ให้กับชาวบ้านหรือว่าหน่วยงานที่เขาเกิดสนใจกันบ่อยครั้งมากขึ้นในระยะหลังเพราะคุณแม่ก็บอกไม่เข้าใจเหมือนกันสงสัยจะเป็นเพราะคุณยายมั้งเลี้ยงแล้วก็พาไปวัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะสามผวบเองแต่ว่าก็ยังไม่ได้บวชถูกต้องตามตามวินัยถูกไหมอ๋อไม่ไม่ได้เป็นนักบวชค่ะก็คือเอาผ้ามาห่มเฉยใช่ค่ะแต่คนเห็นแล้วจะเอ็นดูอค่ะท่คะจริงๆริเนเนี่ยเริ่มต้นกันที่อายุเท่าไหร่คะ ก็โดยพุทธวชนะที่กําหนดไว้อัตัคขาบอก7ปีด่ีอัตัคขาบอก7ปีแต่โดยพุทธวชนะก็ยังไม่เห็นที่ชัดเจนนะเพียงแต่บอกเห็นในลักษณะที่ว่าพอที่จะพอที่จะพูดรู้เรื่องพอที่จะพูดรู้เรื่องพอที่จะบอกว่าไม่กินข้าวเย็นได้ไหมแล้วก็พอที่จะอดทนได้พอที่จะโตรู้เรื่องพอที่จะพูดได้กันน่ะสั่งการได้ว่าต้องทําอะไรไม่ทําอะไร มีสติพอที่จะควบคุมจิตตัวเองได้บ้างทีนี้ในเรื่องของเนนที่จะจะบวชในธรรมวินัยเนี่ยผู้ชาก็ต้องพูดถึงว่า อ, อต้องเป็นคนที่มีคุณสมบัติบางประการนะคือไม่เป็นคนที่ออทำม น, นตริยกรรมค่าพ่อค่าแม่ค่าพระหลานทําสง์ให้แตกกันพวกนีนะ้แล้วก็จะต้องเป็นผู้ที่ออนับถือพระพุะทธธรรมพระสงฆ์ จริงๆแล้วบทเรนนี้ก็ไม่ยากอะไรด้วยนะฮะอุปชาได้ก็สามารถบวชได้อยู่อครับส่วนบุคคลที่เอาผ้าเหลืองมาหม่มนะแล้วก็ไม่ไม่ไม่ได้ผ่านการบวชตามขั้นตอนไม่ได้มีครูบาอาจารย์อย่างลักษณะนี้พุทเจ้าก็อจะใช้ชื่อว่าบุคคลที่ปลอมบวชปลอมบวชหมายความว่าคืออยู่ๆก็บวชเองเอาผ้าเหลืองมาห่มเลยอย่างเงี้ยก็มีคผู้ผู้แบบนั้นก็จะยังไม่ใช่พระที่แท้จริงนะแล้วก็อืม ในเรื่องของการบวชนี้ในจุประสงค์ก็คือเพื่อที่จะประพฤติพรหมจันทร์ให้ถึงที่สุดแห่งทุกคือรอบรู้เรื่องทุกนะเพราะนั้น ใ, นในการกิจวัตรของพระอะไรต่างก็ถ้าทําตามนั้นก็จะเป็นการดีหละ่ะอืมอืมค่ะอย่างกรณีอางงาของของอมาร์คนี่ใช่ไหมค่ะน้องมาร์ ค, รคเป็นเอกสกลนครสว่างแดนดินอ่าใช่อาจจะเป็นกรณีที่ว่าเป็นเรื่องของ อดีตชาติของเขาไหมที่เขาระลึกถึงสิ่งที่เขาเคยทำอะไรต่างๆมาได้นะทำให้ความจําเรื่องสวดมนต์ก็ตามหรือว่ากิริยาต่างๆที่มันสั่งสมมาในอาจจะเป็นพระมาก่อนใช่ไหมชาติแล้วตายไปเสร็จปุ๊บมาเกิดเป็นเด็กชายมากคนนี้เราก็มีพอระลึกชาติทอนหลังได้ด้วยความจํา ด, ด้วยความสามารถใดๆก็แล้วแต่เนี่ย ทำใหคิดว่าเออเราควรจะมีความชีวิตเป็นอยู่เป็นอย่างนี้ต้องกินข้าวในบาดนะต้องเดินไปบินดาบาดนะต้องห่มผ้าอย่างนี้นะโดยที่ไม่ได้มีใครบอกสอนเขา่าจะเป็นเรื่องของกรรมเก่าก็ได้เรื่องของลักษณะว่าเป็นระลึกชาติได้ค่ะแต่ว่าพอดูในข่าวเนี่ยก็จะพูดแบบเหมือนกับให้คนยุคใหม่ที่ไม่ค่อยเชื่อในเรื่องของชาติที่แล้วอืมก็ให้เหตุผลว่าคุณยายพาไปใส่บาด เป็นกิ จ, จวัตรในตอนเช้าคะ่ะบอกทําอาจจะทําให้น้องมาร์กเนี่ยเอากิจของสงมาเป็นอสิ่งที่ปฏิบัติของตัวเองเอะเนาะฮะมาเล่นตามแล้วก็สวดมนต์ในกล้องแต่เขาสวดมนต์ดีมากนะคะได้ดูในโทรทัศน์เนี่ยโ ห, หน่าเอ็นดูเนี่ยไอความจําตรงนี้แหละอาตมาก็คิดว่าเป็นเป็นการระลึกชาติทอนหลังกองเรได้ท่านคะ อ, อย่ากลับเรียนถามว่าอาความจําถ้าสมมุติว่าเราพูดถึงเรื่องของ ระบบของขันห้าก็คือสัญญาถูกไหมคะใช่อย่างนี้เร<ำ>ียกว่าเป็นความจำไหมคะอย่างที่สมมติความจำในในเรื่องนี้ในระบบขันหนะ้าน ะ, ะก็จะเป็นสั ง, สงขารด้วยแล้วก็สัญญาด้วยค่ะทีนี้สมมตถิถ้าท่านบอกว่าอาจเป็นไปได้ว่าเป็นอดีตชาตินะคะแปลว่าความจำที่เป็นสังขารและสัญญาที่ท่านว่าเนี่ยข้ามภพข้ามชาติได้เหรอคะ โอ้มันข้ามได้แล้วก็ระลึกได้ก็อยู่ที่ความสามารถสามารถทําได้นะพระเจ้ายังพระองค์ยังทําได้เลยเระลึกถึงขันที่เราได้เคยมีแล้วในการก่อนๆว่า เ, าเกิดเป็นเดวดามีรูปร่างอย่างนี้มีชื่ออย่างนี้มีความสุขอย่างนี้เอาชาติต่อไปนี้ตายแล้วไปเกิดเป็นอะไรระลึกได้หมดอ๋ออันนี้หมายถึงว่าเป็นพุทธวจนะได้ตราสไวใ้ใช่ใชแล้วก็ใช้คําว่า เราลึกไปถึงขันในอดีตและะ้วค่ะใช่ขันอันเป็นที่ตั้งของเราว่าในอดีตเรามีรูปอย่างนี้มีเวทนาอย่างนี้นะเราได้อยู่ในพบนี้สวยความสุขอย่างนี้อย่างนี้มีอายุเท่านี้ตายลงไปเท่านี้พ้นจากพบนี้แล้วไปเกิดอยู่ในพบนั้นมีขันอย่างนี้มีรูปอย่างนี้ <c oughs> มีเวทนาอย่างนี้ไล่ไปท่าเป็นบุญค่ะ <c oughs> ที่นี้ก็เคยได้ฟังท่านพูดบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยในปัจจุบันของเราเนี่ยขอให้รู้ว่าเราเกิดมาแล้วไม่รู้เท่าไหร่ เกิดเป็นอะไรมาหลายรูปแบบถูกไหมคะใช่ทีนี้ทําไมเราเกิดมาขนาดนั้นอย่างดิฉันเนี่ยนึกไม่ออกเลยสักชาติเดียวละคะอ่าฮ่ารฮ่านฮ่าฮ่าฮ่นฮ่ะคุณยมเติว่าแม้นี้ก็เป็นปัญญาของเธอประการหนึ่งคือไม่ได้ว่าใครว่าไม่มีปัญญานะแต่ว่าผู้ชายบอกว่าแม้นี้ว่าเป็นปัญญาของเธอประการหนึ่งแตนี้ถามว่าปัญญาในประรารพเหตุอะไร ถามว่าคุณจะมีปัญญาเหล่านี้ปราบเหตุอะไรนะัคืออย่างบางทีเนี่ยผู้รู้จักพูดถึงปัญญาหลายอย่างนะอย่างหนึ่งก็คือการที่ระลึกชาติผนหลังได้ถนะามว่าอะไรเป็นเหตุในการระลึกชาติผนหลังไดนะ้อย่างแรกเลยที่ผู้รูจักพูดถึงก็คือจิตที่ตั้งมั่นเป็นสมาธนะิไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นจิตที่อ่อนโยนควรแก่การงานนะตั้งอยู่อย่างไม่หวั่นไหวเช่นนี้แล้วก็น้อมจิตเปนในการที่จะถึงชาติผนหลังทําเอาแค่ว่าเอาแค่ว่าไม่ต้องเอาชาติผนหลัง เอาชีวิตเราตอนนี้เหตุการณ์เมื่อสิบปีที่แล้วเมื่อเกิดเมื่อปีสองห้าสามสองวันนี้เวลานี้คุณจําได้ไหมโถ้าพูดแค่นี้ดิฉันท้อแล้วค่ะไม่ไม่ขอไปต่อชาติหน้าแล้วเพราะว่าหลายอย่างคิดไม่ออกเลยค่ะเอมันอย่างนี้แหละถ้าเราเข้าสมาธิมันจะมันจะระลึกได้บ้างนะออย่างไรก็ตามไอ้ตรงปัญญาตรงนี้เนี่ยอพระชาพูดถึงปารลบเหตนะปารลบเหคือสมาธิปัญญานี้ไม่ใช่มีอย่างเดียวในยังมีการที่ สามารถทําที่แจ้ให้เป็นที่กําบังนะไปถ้ารข้างฝาไปเดินบนน้ําได้เหมือนเดินบนแผ่นดินไปบนอากาศได้เหมือนทั้งๆที่ยังนั่งคูบัลลังอยู่นะลักษณะนี้นี่ก็เป็นปัญญาอันตรายประการหนึ่งปารฏเหตุมาจากอะไรในอาการที่มีสมาธิมีมีศีลในถ้าคุณมีศีลมีสมาธิคุณทําพวกนี้ได้ทีนี้ ท, ที่ที่อาตมาพูดตรงนี้เพราะว่าอะไระเพราะว่ามันมีนักมายากลหลายคนคุณยมติอย่างเดวิดคอปเปอร์ฟิลหรือครใครก็ตามเนีซี่สามารถเสกช้างหายไปทั้งตัว <c oughs> นะไม่ใช่แค่ช้างอย่างเดียวนะเครื่องบินเขาก็เสกไปหายได้นะ <c oughs> คนเขาก็เสกไปหายได้ไปป่วยที่ที่หนะตัวเขาปุ๊บปั๊บหายไปปุ๊บไปโ่วยที่หนึ่งขึ้นมานะสามารถเดาใจคนอื่นได้ว่าคนนี้คิดอะไร เ, เลือกไพ่ใบอะไรเขาเดาได้หมดเลยนะนั่นก็ไม่ได้ปรารบเหตุจากการที่มีศีลนะหรือมีสมาธินะแต่นี่เป็นเรีเรยกว่ามายากล ค, คนละแบบคนระแบบคนระแบบเพราะฉะนั้นเวลามันจะมีคนที่คิดว่าโอ้ oh, พระองคนี้ทําย่างนี้ได้ เซงแค่นี้ได้มายากลหรือเปล่าอ่าตรงนี้แหละคนที่ไม่มีศรัทธาเขาก็คิดว่าเป็นมายากรใช่ไหมแต่ถ้าคนที่มีศรัทธาเขาก็คือเราก็ไม่ทราบว่าพระองค์นี้ทําได้จริงหรือเปล่าหรือว่าคนค น, นี้ทําได้จริงหรือเปล่าด้วยเหตุ ท, ที่บุชาตรัสอย่างนี้ถ้าใครทําได้อย่างนี้นะโหเด็ดมากเลยนะมันไม่ใช่สมาธิที่ใครๆจะมีได้นะอ่ามันเป็นสมาธิที่ลึกซึ้งจริงๆมันเป็นปัญญาที่ลึกซึ้งจริงๆนะว่าทําได้เสร็จปุ๊บแหมถ้าคนที่ไม่เชื่อเนี่ยเขาก็จะพูดไปไม่ดี มันก็จะเป็นหเหตุที่ไม่ดีได้นะเพราะฉะนั้นก็คือเราก็จะต้องคอยคอยดูคอยระวังปากของเราด้วยนะถ้าเห็นคนที่ทำอย่างนี้ได้เพราะคนไหนทําได้อย่างไรก็ตามก็ต้องตัวคนที่ทําได้เองก็ต้องพิจารณาด้วยว่าเอ้เราทำอะไรอยู่นะเราเล่นคนหรือเปล่าหรือเราป ร, ราลบเห็นนั้นจริงๆอย่างเงี้ย <g amer> ก็แปลว่ า, าที่ทําไม่ได้ที่ตัวอย่างบอกว่าเอ้เราก็เกิดมาหลายภพหลายชาติทำไมอย่างทีฉันคิดถึงชาติที่แล้วไม่ออกท่านบอกว่าเป็นปัญญาที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ แล้วก็ปัญญาเหล่านี้เกิดมาจากจิตที่เป็นสมาธิอย่างยิ่งอาจทาได้ในบางคนไม่ใช่ทําได้ทุกคนแล้วก็สมาธิอย่างยิ่งเช่นเดียวกันก็เป็นปัญญาที่จะทํางานได้อีกหลายรูปแบบใช่ไหมคะใช่ชทําในสิ่งที่เป็นปาฏิหาริย์หายตัวไปได้เลยอย่างนี้ถูกต้องเป็นตัวอย่างเหมือนกันเอคนในยุค ป, ปัจจุบันเนี่ยมีไหมคะที่จะมีปัญญาถึงปานนี้คะ่ะ ออคนที่ทําได้เนี่ยเขาเขาเนื่องจากว่าถ้าเขาตัได้จริงๆนะอย่างครูบาอาจารย์หลายๆท่านเนี่ยก็ทําได้อ่าแต่ท่านก็ไม่มาเที่ยวพูดอ่ะท่านคะอืมแล้วถ้าสมมติดิฉันพอรู้อย่างนี้แล้วแหมก็ฝกักฝ่การปฏิบัติอยู่ด้วยเตตั้งเป้าเลยจะต้องปฏิบัติไปจนเกิดปัญญาหายตัวได้อืม่อาถามว่าหายตัวได้แล้วยังไงต่อหมายถึงว่าหมายถึงว่าต้องการทำไปเพื่ออะไรอ่า ถูกหรือผิดดีหรือไม่ดีี น, น้แล้วก็ควรหรือไม่ควรนนคะท่านคะทีนี้ว่าถ้าเราตั้งเป้าไปเพื่อการทำเพิ่ง น, นี้เพื่อว่าราบสัการะเพื่อสิ่งสรรเสริญเยื่นยออันนี้จะเป็นมิจฉาปัญญาเป็นมิจฉาทิฏฐินนี้ต้องระ ว, วังละมันจะเริ่มเป็นลักษณะของไสยศาสต ร, ร์แต่ถ้าผื่ว่าเราตั้งไปเพื่อที่ว่าเราจะทําปัญญาให้เกิดขึ้นในการหลุดพ้นแล้วถ้ามีสิ่งรู้สิ่งเห็นอะไรขึ้นมาต่างๆเป็นเครื่องรู้พิเศษอันนี้เราก็ทราบไว้ไม่เป็นไรถ้าอย่างนี้เรารู้เพื่อปล่อยวางอันนี้ถึงจะถูก แะการปฏิบัติของผู้ชอบทั้งหมดเนี่ยเป็นไปเพื่อความปล่อยวางเพื่อความละวางเพื่อความขวนขวายน้อยเพื่อความสันโดษเพื่อความอยู่สมมงบสงบถ้าเป็นไปอย่างนี้คุณทําได้มีปัญหาเทอกัว่าท่านกําลังจะบอกว่าหากจะปฏิบัติตามสิ่งที่พระศาสดาอยากให้เราเป็นอืก็คือต้องปฏิบัติไปเพื่อเพื่อการปล่อยวางดังนั้นถ้าเกิดมีความสามารถพิเศษปรากฏในระหว่างทางต้องปล่อยวางอย่างนั้นหรือไงคะเ อ, อ่อใช่ อย่างยกตัวอย่างเช่นนะอ่สมมุติว่าพระ บ, บร๊อบบบอนองคหนึ่งอมีความปรถกาว่าฉันจะต้องนั่งสมาธิทําศีลอะไรต่างๆให้เรียบร้อยละ่ะเพื่อที่ฉันจะได้มีฤทธิ์แล้วก็เอหอไปว่าไปอยู่ป่าคนเดียวไม่มีใครมายุ่งกับฉันตามไม่เจอฉันจะอยู่สันโดษอย่างนี้เออนี้น่าเข้าท่านะพนธมาว่าเพราะฉะนั้นที่ที่พูดเช่นนี้ก็จับจากสิ่งที่ท่าอาจารย์พูดนะคะว่าในการเจริญสมาธิมากๆเนี่ยโอกาสที่จะมีปรากฏการณ์อย่างนี้ มีผลเช่นนี้เกิดขึ้นได้เผื่อว่าจะมีท่านใดกำลังมีความรู้สึกว่ า, ารู้สึกดีกับการที่มีความสามารถพิเศษแล้วอาจจะไม่ทราบพุทธวจนะก็จะได้ทราบว่ า, าที่ถูกที่ควรตามคำสอนของพระศาสดาเป็นอย่างไรเอาอายุตัวอย่างที่มีควรนิดหนึ่งในงเช่นว่าสมมติคุณตั้งใจที่ว่าจะทำให้มันเกิดขึ้นความสามารถพิเศษนี้เกิดขึ้นเสร็จปุ P ๊บ เพื่อที่จะไปบอกคนอื่นนบอกคนอื่นเช่นไรนบอกเพื่อนเราว่าเฮ้ยฉันทําได้นะลองทดลองดูสิว่าเธอคิดอะไรฉันบอกได้หมดเลยนี่มันมันยกตนข่มท่านนะ <c oughs> คือเราเราอวดอ่ะเราโชว์าการอวดการโชว์คุณทําคุณทําได้เพื่อต้องการไปอวดต้องการไปโชว์ต้องการไปบอกคนอื่นอันนี้ไม่ถูกแล้วแน่นอนค่ะ <c oughs> ความคิดนี้ผิดละค่ะแั้นเราก็ได้รู้พอสมควรนะคะว่าสิ่งมหัศจรรย์ทั้งหลายเกิดขึ้นได้ด้วยวิชาของพระพุทธเจ้า ใช่เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนถ้าหากว่าทำไปถึงเพียงแต่ว่าถ้าจะทำให้ถูกแล้วเกิดขึ้นได้ก็ต้องปล่อยให้หมดถึงจะถูกแน่นอนอนะคะวันนี้ก็สรุปเป็นการให้เรียนรู้อย่างชนิดที่บางคนอาจจะคิดว่ารู้ไว้ใช่ว่าเลยอาจจะไม่มีโอกาสที่จะไปถึงตรงนั้นหรือไม่ใช่เป้าประสงค์แล้วละ่ะรู้เอาไว้ก็เป็นการประดับปัญญาจะได้รู้ถึงว่าสิ่งที่พระพุธองตรัสรู้มานี่ เป็นสิ่งที่พิเศษมากไม่มีมหาวิทยาลัย ไ, ไหนที่ดิฉันเคยได้ยินนะคะประกาศวิช า, าสอนในสิ่งเหล่านี้เลยคราวนี้ก็ต้องกราบวรการของพระคุณท่านเป็นบุญเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะใช่บานค่ะท่าทนฟังที่ครบคะ่ะนี่คือรายการสันสนีสนทนานะคะเราก็ต้องการจะให้ท่านทั้งหลายได้รู้ว่าพระพุทธองค์พระาศาสดาของเราซึ่งปีนี้เขาสรนเสริมกันว่าท่านตรัสรู้มาเป็นปีที่ 2,600 ยาวนานมากนะคะ พระพุทโงนั้นได้ตราสสอนอะไรเอาไว้แล้วก็ความกว้างขวางผลอันใหญ่ของสิ่งที่ตรัสรู้เอาไว้เนี่ยเป็นเช่นไรกันบ้างเท่าที่เวลาเราจะอํำหน่วยให้ในแต่ละวันส่วนที่เหลือก็ไปติดตามกันวันต่อไปนะคะเรามีรายการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะตั้งแต่ตี5ถึงตีหครึ่งทาง FM106 และวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียนินี้วันนี้ใครสนใจจะฝากคาถาม หรือว่าจะขอหนังสือพุทธวจนะก็ที่022690006ส่วนจะไปติดตามพระอาจารย์ไพบูลดิฉันค้างไว้ว่าจะบอกเรื่องของเว็บไซต์ที่ติดต่อท่านได้รวมถึงทิ้งคำถามได้ก็ที่เพียวธรรม a .com/106 นะคะเข้าไปกันที่นั่นค่ะวันนี้เราลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะคะพุทธวสวสดีค่ะ